การเลือกคบเพื่อนสหธรรมิก 24. ผู้ที่บวชมาแล้วการครบหาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงให้ดูดีๆมีความประพฤติปฏิบัติเช่นไรถ้ามีการปฏิบัติผิดพระวินัยมีความย่อหย่อนมีความหลงในทางโลกห้ามไปคลุกคลีจะทําให้เรารับเอานิสัยทุศินหมดอนาคตครูบาอาจารย์พระที่ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ให้เราครบหาสมาคมเราเป็นคนอ่อนแอต้องอาศัยพระธรรมพระวินัยอาศัยครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงเปรียบเสมือนการเดินทางเราต้องมีทั้งแผนที่มีทั้งคนที่นำเราไปพระเนนที่บวชมาบางทีไม่เข้าใจไม่กล้าที่จะเข้าไปหาพระอุปชากครูบาอาจารย์ไม่กล้าที่จะไปรับใช้อุปถาคท่านและครูบาอาจารย์ที่รองลงไปอีก ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนใหญ่ชอบไปคบหาสมาคมกับพระที่บวชพรรษามากแต่ความประพฤติปฏิปทาใช้ไม่ได้เพื่อนฝูงก็ชอบคบที่โหลโหลเรามีโอกาสได้ไปในที่สานักต่างๆส่วนใหญ่ก็ได้ไปพบสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีของพระภิกษุสามเณรในวัดนั้นๆให้เรายึดเอาแต่สิ่งที่ดีๆอย่าไปรับเอาปฏิปทาที่มันฟรีสไตชนิดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น อะไรก็อยู่ที่ใจหมดเราไปสำนักเขาก็อย่าไปทำผิดเหมือนเขาไม่ควรสูบบุหรี่เหมือนเขาเพราะว่าบุหรี่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับพระทำให้สุขภาพร่างกายเสียทำให้อากาศเสียทำให้สังคมติเตียนได้เนื่องจากสังคมกำลังรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อกลุตรลูกหลานที่บวชเสื่อมทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วย ถ้าสิ่งใดก็ททำถูกต้องเราค่อยทำตามเขาพระอาจารย์กันหาสุขกาโมวัดแปร่ธรรมรามตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแปร่วันจันทร์ที่สเดือนกันยายนพุทธศักราช2549